วันที่เรามาสร้างสาระที่พึ่งทางใจให้แก่เราชีวิตของเรานั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือกายกับใจกายก็ต้องมีสาระมีที่พึ่งถึงจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขใจก็ต้องมีที่พึ่งถึงจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจวันนี้เรามาสำสระนทางใจส่วนปกติวันอื่นๆเราก็ไปทำสระนทางกายสระนทางกายมีอะไรก็คือปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารและยารักษาโรคนี้เป็นที่พึ่งทางกาย ร่างกายของพวกเราทุกคนต้องมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ถึงจะอยู่ได้อย่างล่มเย็นเป็นสุขแต่การมีปัจจัยสี่ทางกายครบบริบูรณ์หรือมีอย่างมากมายกายกองก็ไม่ได้สามารถที่จะไปทำให้จิตใจของเรานั้นสงบสุขได้ความสงบสุขของใจนี้นม ต้องมีที่พึ่งทางใจก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราเราก็จะมีจิตใจที่สงบร่มเย็นไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆใจของเรานี้ยังจะต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดจากการมาเกิดในโลกนี้เพราะเมื่อเราเกิดแล้วต่อไปเราก็ต้องแก่ต่อไปเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปเราก็ต้องตายต่อไปเราก็ต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นถ้าเราไม่มีสาระนะทางใจคือไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อยู่ในใจของเราใจของเราก็จะต้องว้าวุ่นขุ่นมัวกะวนกระวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางครั้งก็อาจจะเสียสติไปได้เพราะไม่มีที่พึ่งทางใจนั่นเองดังนั้นการมีที่พึ่งทางกายเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอเพียงต่อการ ดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเงย็นเป็นสุขได้เราจึงต้องมาวัดเพื่อมาสร้างสัปะนาหทางใจคือมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีอยู่ในใจของเราตอนนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ข้างนอกใจของเราซึ่งยังไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าที่ควรเหมือนกับยา ที่เรายัางไม่ได้รับประทานยาจะวิเศษขนาดไหนจะมีคุณภาพดีขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่รับประทานยาเข้าไปในร่างกายยานั้นก็ยังไม่สามารถทำหน้าที่คือรักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ <Yeah. S 1> เช่นเดียวกับสาระที่พึ่งทางใจ ก็เป็นเหมือนอยารักษาโรคใจรักษาโรคจิตรักษาโรคความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราถ้ายังไม่ได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ในใจของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเรารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายได้ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่า พระพุทธพระธรรมพสงฆ์ภายนอกนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเราเท่านั้นเราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพสงฆ์ภายนอกนี้เข้ามาสู่ภายในใจเช่นเรามีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชาแต่พระพุทธรูปนี้ยังไม่สามารถที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พระธรรมคําสอน ที่จะเลิกไว้ในหนังสือต่างๆเช่นในพระไตรปิฎกก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยใจของเราให้พ้นทุกข์ได้พระอาริยสงสาวก ค, คือพระสุ ป, ปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่เรากราบไหว้บูชาก็ยังไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้ เราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนั่นน้อนเข้ามาสู่ภายในใจของเราด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะเหมือนกับได้ปลูกเมล็ด ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเราเมื่อเราปลูกแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาคอยรดน้ำคอยปรวนดินคอยกำจัดวัชพืชต่างๆแล้วไม่นานต้นไม้คือสาระนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจของเราก็จะเจริญโตบโ ต, ตและออกดอกออกผล เป็นอริยมรรคอริยผลขั้นต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันพอเราได้รับได้บรรลุขั้นพระอาาริยสงฆ์แล้วคือได้บรรลุตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปตามลาดับจากเล็กจากน้อยไปจนในที่สุด ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นการมีศรัทธามีความเชื่อแล้วก็กราบไหว้พระพุทธรูปเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆที่มีพระพุทธรูปแล้วเรากราบนั้นเป็นเพียงการแสดงความเคารพเท่านั้นเอง แต่พระพุทธรูปนั้นยังไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธรูปที่เราห้อยไว้บนคอในอนี้ก็เช่นเดียวกันยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ความหวาดกลัวความเศร้าโศกเสียใจความกังวลต่างๆออกจากใจได้ เพราะพระพุทธรูปภายนอกนี้เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ท่านั้นเองเป็นเหมือนรูปภาพเป็นสิ่งที่ให้เตือนสติของเราให้เรารู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเป็นเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานเราก็ต้องให้ทานกันพระพุทธเจ้าทรงรักษาศีล เราก็ต้องรักษาศีลกันพระพุทธเจ้าออกบวชปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาเราก็ต้องทาตามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระอริยสงสาวกในตอนตอน้นก่อนที่ท่านได้เป็นพระอริยสงฆ์ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราได้ยินได้ฟังพ่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ออกไปปฏิบัติตามเพราะพระพุทธเจ้าสละทรงไททานสละทรัพย์สมบัติพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็สละทรัพย์สมบัติสะละครอบครัวสละสามีสละภรรยาสละลูกบุตรทธิดาแล้วก็ออกไปบวชจำสินรักษาสินนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ จเจริญปัญญาให้เห็น ส, สภาพความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ในอำนาจของใครที่จะควบคุม บ, บังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้พอท่านได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับไม่นานท่านก็ ได้ภาสะนะเป็นที่พึ่งภายในใจท่านได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นมีก็จะเห็นพระพุทธเจ้าดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่จะเห็นตถาคต เห็นธรรมนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตปฏิปันโนท่านผู้นั้นก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองนี่แหละคือพระสารณะพระรัตนไตที่เป็นสารณะที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นจากการ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนในที่สุดก็จะปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่แสดงว่ามีธรรมะอยู่ในใจแล้วพอมีดวงตาเห็นธรรมก็แสดงว่าในใจนี้มีธรรมะแล้วมีธรรมะสารณะแล้วและผู้ใดมีธรรมะสารณะ ผู้นั้นก็มีพุทธะสารณะด้วยและผู้ที่มีพุทธธรรมะสารณะก็มีสังขารตนะด้วยทั้งสมส่วนนี้อยู่ในธรรมะสารณะนี้เองผู้ใดปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลท่านต่างๆแล้วผู้นั้นก็เถือว่ามีสารณะอยู่ในใจของตนแล้วเพียงแต่ว่ามีมากน้อยต่างกันไปตามลาดับขั้น ขั้นแรกก็มีส่วนหนึ่งขั้นที่สองก็มีอีกส่วนหนึ่งขั้นที่สามก็มีอีกส่วนหนึ่งพอขั้นที่สก็มีครบทั้งสี่ส่วนครบทุกขั้นเก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในชีวิตเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาจากสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆที่เรารักที่เราชอบเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่สามารถมากระทบจิตใจของพระอรหันต์ได้เลยพระอรหันต์นี้เป็นเหมือนมีเกราะคุ้มกันใจเหมือนกับร่างกายที่มีเกราะคุ้มกันกระสุน เวลาถูกยิงก็จะไม่เข้าไปในเนื้อเพราะมีกมีเกราะคอยป้องกันเอาไว้นี่แหละคือสาระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้มีกันแต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถมอบให้กับเราได้ไม่สามารถสร้างสาระให้กับเราได้พระอริยสงสาร ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านก็ไม่สามารถที่จะสร้างสรณะให้กับเราได้ท่านมีหน้าที่คือคอยสอนเราคอยบอกวิธีถ้าเป็นหมอก็บอกวิธีรักษาโรคให้กับพวกเราหมอไม่สามารถที่จะรักษาโรคให้เราได้หมอเพียงบอกวิธีให้ยาเราถ้าเราไม่เชื่อหมอเราไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่ง เราก็จะไม่หายจากโรคฉันใดถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามพระอริยสงสาวุเราก็จะไม่สามารถมีสารณะที่พึ่งทางใจได้ความเชื่อความศรัทธาอย่างเดียวนั้นยังไม่พอแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญ เพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่สนใจเลยเราจะไม่ศึกษาไม่ฟังไม่รับรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่เชื่อว่าเป็นจริงนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราไม่เชื่อหมอถ้าเราไม่เชื่อหมอหมอบอกให้เราทำอย่างไรเราก็จะไม่ทำตามหมอบอกให้รับประทานยาก็จะไม่รับประทานยา หมอบอกให้ลดให้เว้นอาหารชนิดต่างๆหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆหรือสิ่งเสพติดชนิดต่างๆเราก็จะไม่เชื่อหมอเราก็จะทำไปตามความเชื่อของเราแล้วในที่สุดเราก็จะต้องรับผลของความเชื่อของเราก็คือถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดิมสารา สูบุรีรับประทานอาหารที่มีความหวานมากๆมีไขมันมากๆไม่นานร่างกายของเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ต่วและตายไปในที่สุดแต่คนที่เชื่อหมอแล้วทำตามที่หมอสั่งหมอบอกให้เลิกสุราก็เลิกหมอบอกให้เลิกบุหรี่ก็เลิกหมอบอกให้เลิกกินของห ว, วานหวานมันๆก็เลิกกิน กินแต่อาหารที่มีคุณมีประโยชน์อายุก็จะมีอายุยืนยาวนานขึ้นโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีก็จะหายแล้วก็จะไม่มีโรคภัยมาเบียดเดียนจะอยู่อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับใจของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำบุญให้ทานให้รักษาศีลให้ปฏิบัติธรรม ให้นั่งสมาธิให้เดินจงกรมเจริญปัญญาพิจารณาทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายแล้วก็ให้ฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมออย่างที่ญาติโยมได้มากระทำกันนี้นี่คือวิธีที่จะสร้างสรณะให้แก่ใจหรือวิธีรักษาใจของเราด้วยธรรมโอสพ คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็จะทำให้เราใจของเรานี้ค่อยหายจากความทุกข์ความวุ่นวายใจไปทีละเล็กทีละน้อยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติมากก็จะหายเร็วถ้าปฏิบัติน้อยก็จะหายชา้าเราต้องถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ อยากจากรู้อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในชาตินี้เราก็ต้องรีบขนขวายเอาไว้เพราะเรารู้ว่าชีวิตของเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดลงไปไม่มีใครสามารถกำหนดได้ ว, ว่าจะตายวันนั้นหรือวันนี้อายุเท่านั้นหรืออายุเท่านี้ความตายนี้ไม่มีใคร สามารถที่จะมากำหนดได้ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆเป็นไปตามบุญตามกรรมดังนั้นผู้ฉลาดคนฉลาดก็จะไม่ประมาทจะรีบตักตวงโอกาสมีที่ยังมีโอกาสสามารถปฏิบัติธรรมได้รีบปฏิบัติเสียเหมือนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ปล่อยให้ โรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังเพราะถ้าไปรักษาทีหลังก็อาจจะรักษาไม่หายอย่างสมัยนี้เราต้องคอยตรวจตรวจร่างกายอยู่สม่ำเสมอเพื่อเราจะได้รู้ว่าร่างกายเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บหรื อ, อยังเพราะถ้ารอให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นถึงขั้นสุดท้ายแล้วหมอก็จะรักษาไม่ได้ เช่นโรคมะเร็งนี้เป็นต้นเราต้องคอยตรวจอยู่เรื่อยๆว่าเรามีโรคมะเร็งหรือเปล่าพอเริ่มมีเราก็จะได้รีบรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็จะไม่ต้องเสียชีวิตไปแต่ถ้าปล่อยให้มันลามไปทั่วร่างกายแล้วแล้วค่อยมารักษาตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วเช่นเดียวกับการสร้างสรารณะ หรือการนำเอาธรรมโอสถ์ยารักษาโรคของใจเข้าสู่ร่างกายนี้เราก็ต้องรีบทำเสียตั้งแต่วันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีเวลาหรือเปล่าและหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะได้กลับมาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาอีกถ้าคราวหน้ากลับมาเกิดพระพุทธศาสนา ก็อาจจะหมดไปจากโลกนี้แล้วก็ได้เพราะศาสนาพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะมีอายุไม่เกิน 5,000 ปีหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ต่อไปสมมุติว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันที เราอาจจะต้องแวะไปใช้บาปใช่บุญก่อนไปตกนรกก่อนไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนแล้วเราอาจจะต้องไปหรือถ้าเราเป็นบุญเราก็จะต้องไปเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมก่อนบางทีก็จะมีมีอายุเป็นเป็นพันปีเป็นหมื่นปีกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ในโลกนี้แล้ว เช่นตอนที่พระพุทธเจ้าตัดทรงตัดสรู้ใหม่ๆทรงมีความปรารถนาที่อยากจะเผยแผ่ธรรมนี้ให้แก่พระอาจารย์สองรูปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษามาก่อนแต่ก็ทรงทราบว่าทั้งสองรูปนั้นได้ตายไปก่อนแล้วและได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมพระองค์ทรงตัดว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะว่าท่านทั้งสองนี้คงจะไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาเพราะหลังจากที่ท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อาจจะเป็นเวลาหลายพันหลายหมื่นปีด้วยกันก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ในโลกนี้กว่าจะให้พระพุทธศาสนาอันใหม่มาปรากฏนั้นก็ต้องใช้เวลาเป็นกับ กับนี้ก็เป็นเวลาที่ยาวนานกว่าหลายรลอหลายล้านปีด้วยกันดังนั้นพวกเราขณะนี้ถือว่ามีโชคว่าสนามากที่ได้มาเกิดได้เป็นทั้งมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และไม่ได้ถึงแม้จะได้พบพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ เช่นสุนัขที่มาอาศัยอยู่ในวัดนี้เป็นต้นเขาก็ได้มาเกิดในโลกนี้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่ได้เป็นมนุษย์เขาจึงไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะรู้ได้ว่ามีเป็นคำสอนสอนว่ายอย่างไรถ้าเป็นสุนัขอย่างมากก็ได้อาศัยอาหาร ที่ทางวัดให้รับประทานอยู่ไปวันวันหนึ่งก็จะได้เพียงสารณะทางร่างกายจะไม่ได้สารณะทางจิตใจต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องได้มาพบกับผู้พุทธศาสนาถึงจะถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงสุดได้มีโอกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่า ย, ายตายเกิดได้ภายในเจดวันเจเดือนหรือเจ็ดปี และอาจจะภายในวันเดียวก็มีซึ่งเคยปรากฏมาแล้วในสมัยพระพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาก็ปรากฏมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากบรรลุได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะผู้แสดงก็แสดงธรรมที่เป็นความจริง ว, ลลวนล้วนผู้ฟังก็ฟังด้วยจิตที่มี ทานมีศีลมีสมาธิพอฟังก็เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุได้ทันทีเลยนี่คือความจริงพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปลอมแปลงแต่อย่างใดเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเรื่องของการหลุดพ้นได้ใจชาตินี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเลยถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนา คอยบอกคอยสอนทางแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าต่อให้เก่งขนาดไหนก็ตามก็จะไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมได้เลยยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถบรรลุธรรมตัดสรุธรรมได้ด้วยพระองค์เองเพราะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างโชคโชนทุกภพทุกชาติจนมีกำลังที่จะสามารถ มองเห็นทำได้ด้วยตนเองมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นแล้วไม่มีทางเลยเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรู้ก็ไม่มีใครตัดสรุปเลยไม่มีใครบรรลุธรรมเลยไม่มีใครเป็นพระอารหันต์เลยแต่พอพระพุทธเจ้าได้มาตัดสรู้แล้วประกาศสอนธรำให้แก่สัตว์โลกก็มีผู้เป็นบนรรลุเป็นพระอารหันต์กันเป็นจํานวนมาก เพียงในเวลาเจดเดือนแรกเท่านั้นก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็หนึ่รูปที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสาพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนในวันเพ็ญเดือนแปหลังจากนั้นอีกเจดเดือนก็เป็นวันเพ็ญเดือนสาก็มีพระอาหารหันต์ต่สาวกหนึ่ันสองรูปที่อยู่ตามทิศต่ตางๆ ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้ดัดหมายกันมาด้วยความระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยากจะมากาบพระพุทธเจ้าก็เดินทางมากันนี่เพียงเจดเดือนแรกก็มีพระอาหารหันต์ถึง1250รูปแล้วแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนทรงตัดสรตว์นั้นไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวเป็นเวลาเป็นกับ เป็น้อยล้านปีเป็นพันล้านปีขอให้เราจงเห็นคุณค่าของพ่อพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพ่อพุทธพรอธรรมพระสงฆ์ที่เรากราบไหวบูชาและมีศรัทธาความเชื่อขอให้เราพยายามปฏิบัติตามที่ ท, ท่านได้ส่งสอนและได้ปฏิบัติมาเถิดแล้วพวกเราจะได้รับผลอย่างเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้า และพ้าอาหลานตระสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนขอให้เราทำทานกันให้มากให้เก็บไว้เพียงแต่สิ่งที่จำเป็นต่อต่อชีวิตของเราส่วนที่ไม่จำเป็นส่วนที่เหลือก็ขอให้เราเอาไปทำบุญให้ทานอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรืออย่าเอาเงินไปซื้อของที่เป็นทิพย์เป็นภัยกับจิตใจเช่นไปหา ซื้อไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปรับประทานสิ่งที่ไม่จาเป็นต่อร่างกายไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรได้ความสุขประเดียวประดาแต่ก็จะกลายเป็นคนที่ติดความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่สามารถทำบุญให้ทานได้อย่างเต็มที่จะไม่สามารถออกบวชได้จะไม่ได้สามารถรักษาศีลจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ แต่ถ้าทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีอยู่นี้เราเอามาทําบุญให้ทางเราไม่เอาไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปเราก็จะเบื่อกับชีวิตของคารวาะและเราก็อยากจะออกบวชอยากจะมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเพราะเราจะได้รับความสุข มากกว่าความสุขที่เราเราจะได้รับจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองแล้วเราก็จะได้บระลุมรรคผลนิพพานตามลําดับต่อไปในชาตินี้ได้อย่างแน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์อเอาไว้ว่าถ้าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรง ส, งสั่งสอนแล้ว ก็จะปฏิบบรรลุได้ภายในเจวันบ้างภายในเจเดือนบ้างหรือภายในเจดปีบ้างซึ่งก็มีผู้บรรลุมาแล้วในอดีตและในปัจจุบันจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าจะเครือบแคลงสงสัยแต่อย่างใดพวกเรามีความมั่นใจได้สิ่งที่เราขาดในขณะนี้ก็คือการปฏิบัติเท่านั้นเองการทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้แก่การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอน ถ้าเราทุ่มเทได้แล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้ผลอย่างแ น, น่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างสราระทางใจให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดสิ่นไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศิีรัตนาตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขมีความเจริญแค็งแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัรเธอ